พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสมหากรร ม, มวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่กรรมชาติก่อนกรรมชาตินี้และจิตก่อนตายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเว ร, วรุวันเกตกรุงราชครึกสมัยนั้นแหลปริพาชกชื่อปตตลิบุตร เข้าไปหาท่านพระสมิทธิแล้วพูดว่าได้สดับรับมาเฉพาะพระภักพระสมณะโคดมว่ากรรมทางกายไม่มีจริงวจีกรรมไม่มีจริงบโนกรรมเท่านั้นจริงแล้วว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิบอกว่าพระผูมิพระภาคไม่เคยตรัสเช่นนั้นโปตลิบุตรจึงถามว่า บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยผลอะไรตอบว่าบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุกโปตลิบุตรบริพาชกไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของท่านพระสมิทธิ์ที่ลุกจากที่นั่งแล้วจากไป ท่านพระสมิทธิเข้าไปหาท่านพระอานนท์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังทั้งหมดท่านพระอานนท์ได้ฟังแล้วจึงชวนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องที่ท่านพระสมิทธิสนทนากับปริพาชกชื่อโปตลิบุตรนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระสมิทธิตอบปัญหาที่กวรจําแนกตอบแก่ปริพาชกชื่อโปตาริบุตรโดยแง่เดียว ท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่าก็ถ้าท่านพระสมิทธิีกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัตว์สวยแล้วอารมณ์นั้นต้องจัดเข้าในทุกข์หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมคบุรุษนี้เถิดโมคบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดโพ้งออกมาโดยไม่แยบคาย เบื้องต้นทีเดียวปริพาชกชื่อโปตาริบุตรถามถึงเวทนาสามถ้าถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าบุคคลทากรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมสวยสุขบุคคลที่ทากรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกย่อมสวยทุก บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขย่อมสวยผลเป็นอทุกขมสุขคืออุบเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแต่ว่าอัญญาดิรัติปริภาชคเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาด ไม่มีทางเข้าใจมาหากรรมวิพังของตถาคตได้แล้วตรัสแสดงมหากรรมวิพังไว้ดังนี้บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติชั่วคือประกอบอกุศ ล, ลกรรมบทสิประการได้แก่มักฆสัตว์ลักทรัพประพฤติผิดในกาม พูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจะตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกสองบุคคลบางคนในโลกนี้ทำชั่วประพฤติอกุศลกรรมบทสิประการเหมือนข้อแรกนั้นหลังจะตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำดีเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเลง็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบวชสิบประการในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์4บุคคลบางคนในโลกนี้ทำดีตั้งมันในกุศลกรรมบทชสิบประการเว้นการฆ่าสัตว์และเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นหลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนนรกสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้บรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นบุคคลผู้ประกอบอากุศลกรรมบทสิประการมีค่าสัตว์จนถึงเป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นนั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตเนรก ได้เห็นด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แต่เขานั้นเห็นจริงเพียงด้านเดียวจึงประกาศยืนยันสิ่งที่ตนได้เห็นด้านเดียวนั้นว่ากรรมชั่วให้ผลจริงบุคคลผู้ทำชั่วทั้งหมดตายแล้วต้องไปทุ ก, กติเท่านั้นนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์บางพวกบรรลุเจโตสมาธิแล้วได้เห็นคนทำชั่ว หลังตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จึงประกาศยืนยันว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของการทำชั่วไม่มีคนทำชั่วประกอบอคุศสรักกรรมบทสิบประการล้วนได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณบรา บ, บางพวกบรรลุเจโตสมาธิมีตาทิพเห็นคนทำดีในชาตินี้ หลังจากตายไปแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จึงประกาศยืนยันว่ากรรมดีให้ผลจริงบุคคลทําดีทั้งหมดล้วนตายแล้วต้องไปสุคติเท่านั้นส่วนสมณพราหมณ์บางพวกบรรลุเจโตสมาธิมีตาทิพเห็นคนทําชั่วในชาตินี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จึงประกาศยืนยันว่า ผลของการทำชั่วไม่มีจริงบุคคลทำชั่วแล้วทั้งหมดตายแล้วต้องไปสุคติเท่านั้นชนเหล่าได้รู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าได้รู้นอกเหนือไปจากนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่า นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนี้คือแม้มีตาทิพย์ได้สมาธิขั้นสูงแต่ก็ยังไม่เห็นครบทุกด้านเห็นแค่บางส่วนของชีวิตหลังความตายเท่านั้นเหมือนคนตาบอดคลมช้างต่างคนอยู่คนละมุมคลําแล้วก็บอกลักษณะช้างไปตามที่ตนได้สัมผัสแต่ไม่ได้เห็นช้างทั้งตัวจึงปักใจว่าช้างเป็นอย่างที่ตนได้สัมผัสเท่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับใครหลายคนได้ง่ายลับพาหลงทางเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายจากการศึกษาปฏิบัติที่ยังไม่รอบครบด้านจริงจึงปักใจว่าต้องปฏิบัติแบบนี้เท่านั้นทางอื่นไม่จริงหรือเมื่อไปทางผิดหลงทางไปแล้วใครบอกอย่างไรก็ไม่มีทางเชื่อเหมือนพวกที่โดนจิตหลอกสร้างพบสร้างภาพบางทีถึงขั้นสร้างนิมิตเป็นเทพต่างๆให้เห็นด้วยตาเปล่า หรือในสมาธิเรื่องนี้เขาเห็นจริงแต่สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงซึ่งจะมีใครบอกอย่างไรแนะนําอย่างไรเขาก็ปักใจเชื่อเฉพาะที่เขาเห็นเท่านั้นจึงขอฝางให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สำเนีกว่าอย่ามั่นใจในยานหรือชาตที่ตนมีตนได้แม้จะเคยดูจิตผู้อื่นเห็นชัดแม้จะมีตาทิพก็ยังไม่แน่เสมอไปว่าสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นนั้น จะถูกต้องทั้งหมดนะครับขอให้ยึดหลักไม่ประมาทไม่ปักใจเชื่อสนิทเพื่อใจไว้รับข้อมูลใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องใดทั้งนั้นจนกว่าจะบรรลุอรหันต์ถึงจะเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่ตนรู้เป็นธรรมะแท้จริงตามคำสอนที่พระศาสดาทรงสอนไว้นะครับจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับผู้ที่กล่าวว่า ได้เห็นคนทำชั่วในชาตินี้ตายไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนรกกรรมดีกรรมชั่วให้ผลจรงิงแต่ไม่เห็นด้วยกับการกล่าวว่าคนทำชั่วในชาตินี้ตายแล้วต้องไปเกิดในทุกขติเท่านั้นส่งเห็นด้วยกับผู้ที่กล่าวว่าได้เห็นคนทำดีในชาตินี้ตายไปเกิดในอบายทุกขติวินิบานรก แต่ไม่ทรงเห็นด้วยกับการกล่าวว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงคนทำดีในชาตินี้ต้องไปเกิดในทุกติเท่านั้นและไม่ทรงเห็นด้วยกับคำที่ว่าคนทำดีในชาตินี้ต้องไปเกิดในทุกติเท่านั้นทรงเห็นด้วยกับผู้ที่กล่าวว่าได้เห็นคนทำชั่วในชาตินี้ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ทรงเห็นด้วยกับคำที่ว่า บุคคลทำชั่วชาตินี้แล้วจะต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นส่งเห็นด้วยกับผู้ที่กล่าวว่าได้เห็นคนทำดีในชาตินี้ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ทรงเห็นด้วยว่าบ really ุคคลทำดีชาตินี้แล้วตายไปจะต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นจากนั้นทรงอธิบายว่าการจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ hm หรือในทุกติอบายวินิบาตนรกมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันคือกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนหน้านี้กรรมที่ทำในปัจจุบันนี้และจิตก่อนตายผ่องใสหรือเศร้าหมองคนทำชั่วในชาตินี้ตายแล้วไปเกิดในทุกติอบายนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำในชาตินี้กรรมชั่วในชาติก่อน และจิตเศร้าหมองก่อนตายคนทำดีในชาตินี้ตายแล้วไปเกิดในทุกติอบายนรกเพราะกรรมชั่วในชาติก่อนๆส่งผลและจิตเศร้าหมองก่อนตายคนทำชั่วในชาตินี้ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่ทำไว้ในชาติก่อนส่งผลและจิตผ่องใสก่อนตาย คนทำดีในชาตินี้ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีในชาติก่อนกรรมดีในชาตินี้และจิตผ่องใสก่อนตายดังนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าคนทำดีในชาตินี้ต้องไปสวรรค์ทั้งหมดหรือคนทำชั่วในชาตินี้ต้องไปนรกทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้ว กรรมดีย่อมส่งผลเป็นสุขกรรมชั่วย่อมส่งผลเป็นทุกข์และจะต้องได้ผลเสมอไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปแม้คนชั่วในชาตินี้จะได้กรรมดีชาติก่อนมาช่วยและจิตผ่องใสก่อนตายตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์แต่กรรมชั่วที่ทำก็จ่อรอให้ผลในวันใดวันหนึ่งให้ต้องไปเกิดในทุกติ บายวินิบาตนรกหรือต้องได้รับทุกสาสมกับกรรมชั่วที่เคยทำไว้อยู่ดียกเว้นได้สำเร็จเป็นพระอระหรันจึงถือว่าสิ้นกรรมจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่ากรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่ กรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่และกรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่ดังพันนามาชะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วท่านพระอานุ์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบมหากรรมวิพังคสูตร